จะเินปานท่านสาธุชนพุทธบอริสัตถ์ผูบาสุผบาชิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่แปดก ร, รกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิแปดเป็นวันพระวันธรรมสวสสาวันฟังธรรมเพื่อาำระกายวาจาใจให้สะอาด ชำระอุติที่เป็นเครื่องเศร้าหัที่ทำให้จิตใจมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าไม่มีการชำระอคติใจจะไม่มีวันที่จะมีความสุขได้ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขรองเป็นความสุขชั่วคราวเช่นความสุขที่ได้ จากการได้นาคยศสรรเสริญความสุขจากการที่ได้เสียรูปเสียงเกิดรูปปวดัำพัพอได้มาแล้วความสุขนั้นก็จะหายไปเหมือนควันไฟแล้วก็เหลือแต่ความทุกข์วุ่นวายใจกลับมาเหมือนเดิมไม่ว่าจะหาลาคยศสรรเสริญ หาความสุขทางๆ า, งางู้จมุกดินกายมากมายเพียงใดก็จะไม่สามารถกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้นอกจากการชำระอกุศลที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชน เท้าวัดการอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อมาชําระอาคุสมเหมือนกับบ้านที่ต้องมีการกวาดถูเช็ดล้ามกันอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีการกวาดถูเช็ดล้าบ้านก็จะสกปรบไม่น่าอยู่ไม่มีความสุขฉันใดใจก็เป็นเหมือนบ้านของพวกเราที่จําเป็นจะต้องมีการชําระร้างทําความสะอาด เป็นระยะระยะเพื่อที่จะได้ทำให้มีความสุขตาศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆอาคุณนี้ที่พระเจ้าทรงสอนให้ชำระนี้มีอยู่สามฐานด้วยกันทางกายมีอยู่สามทางวาจามีอยู่สและทางใจมีอยู่สามรวมกันเป็นสิบ อกุศลด้วยกันที่ผู้ใดก็าตามถ้าอยากจะมีความสุขปราศจากความทุกข์จำเป็นจะต้องชำระอกุศลทั้งสิบประการนี้อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาชำระ ก, กันในวันนี้อกุศลทางกายมีอยู่สามคืออะไร 1. คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การลักทรัพย์ 3. การประพติผิดปรเวณีนี่คืออากุศลทางร่างกายอากุศลทางวาจามีอยู่4คืออะไร 1. การพูดปด 2. การพูดคำหยาส 3. การพูดเพ้อเจอ้อ 4. การพูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคี นี่คืออกุศลทางวาจาและอกุศลทางใจมีอยู่สามคือ 1. ความโลก 2. ความโกรธ 3. ความหลมนี่คืออกุศลสิบประการที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พุทธศาสนิกชนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้บมัลนธรละ ให้หมดไปจากใจยิ่งชำระได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปมากเท่านั้นความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นขึ้นเท่านั้นวิธีนี้แหละเป็นวิธีที่สร้างความสุขที่แท้จริงวิธีที่ดับความทุกข์ต่างๆที่แท้จริงไม่ใช่วิธีอย่างที่คนในโอกนี้เขากระทำกัน คือชำระความทุกข์สร้างความสุขด้วยการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกรีกายกันหามาได้มากน้อยเพียงไรความทุกข์ก็ไม่หลับไปไม่หมดไปความสุขก็ไม่อยู่ติดกับใจไปมาเดียวเดียวแล้วก็ไปเหมือนกับควันไฟเวลาไปเที่ยวก็ดี อ, อกดีใจพอกลับมาบ้าน ความดีอกดีใจนั่นก็หายไปเวลาได้ลาบยศสรรเสริญมาก็ดีอกดีใจไม่นานความดีอกดีใจนั้นก็หายไปนี่แหละเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะใช้เป็นวิธีดับความทุกข์ดับความไม่สบายใจไม่ใช่เป็นวิธีที่สร้างความสุขให้แก่ใจ ความสุขที่แท้จริงนี้ต้องเกิดจากทางของภพงตะเจ้าทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์ทางที่นำไปสู่บัลลางก์แมและเป็นบรลลก์มรมที่ถาววัไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปจะอยู่คู่กับใจไปตลอดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายความทุกข์ก็จะหายไปจากใจจนหมดสิน้นถ้าใคร ชำระอากุศลทั้งสิประการนี้ได้คำว่าทุกข์จะไม่มีอยู่ภายในใจเลยจะมีแต่สุขหนอสุขหนอประมาณสุขขังอยู่ตลอดเวลามีนิทานในสมัยพระพุทธกาลมีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งมีศรัทธาที่อยากจะชำระอากุศลทั้งสิบให้หมดไปจากใจ จึงได้ขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าบรนประชาอุปสมบทบวชเป็นพระพอได้บวชเป็นพระก็มีความเข้มงว ด, วดขันในการปฏิบัติในการชําระอกุศลสิบประกาศนี้จนในที่สุดก็สามารถชําระอกุศลได้หมดทั้งสิประกาศบรรลุเป็นพระอาหารหันตบรรลุเป็นพระนิพพาน ได้บรมสุขเป็นผลตอบแทนพอได้บรมสุคนี้อยู่ในใจท่านก็มีความปิติมีความซาบซึ้งใจจนกระทั่งไม่สามารถที่จะยับยั้งความปิติความซาบซึ้งใจนี้ได้จึงจะจึงมักจะอุ่ทานไปเรื่อยๆว่าสุขหนอสุขหนอไม่ว่าทําอะไร สุกหนอสุขหน อ, หนอพระภิกษุเห็นเข้าองค์อื่นเห็นเข้าก็คิดว่าหลวงพ่อท่านไม่สำรวมเพราะว่าปกติพระนี้จะต้องสำรวมกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบแต่หลวงพ่อมีท่านกับอุทาน พ, นพุ่มพันออกมาในใจพุ่มพําออกมาว่าสุขหนอสุกหนอ ก็เลยไปกราบถูลฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพระภิกษุรูปมนี้มาสอบถามว่าเป็นยังไงท่านไม่สำรวนอยู่อย่างไรถึงต้องมาบ่นพึมพำพึมพำอยู่อย่างนี้พระมหาเศรษฐีก็กราบถูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยที่ผมไม่ได้บวชผมมีเงินกองเท่าภูเขาแต่ผมไม่เคยพบกับความสุขอย่างที่ผมได้พบในวัน ในขนาดนี้เลยในขณะที่ผมได้ชำระอกุศลทั้งสิบประการตามที่พระบรมศาสดาได้ทรงสั่งสอนให้ผมชำระพอผมชำระได้หมดสิ้นแล้วใจของผมมันเลยไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขปรมังสุขขังตลอดเวลาสมัยผมเป็นเศรษฐีผมมีเงินกองเท่าภูเขา แต่กับผมกับมีความทุกข์มากกว่าตอนนี้ความสุขผมก็มีน้อยกว่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้ผมจึงอดที่จะอุทานออกมาไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรเธอพ้นจากโทษแล้วเธอไม่มีปัญหาแล้วเธอจะสำรวนไม่สำรวจนี้ไม่มีปัญหากับเธอแล้ว พราะเธอได้ชำระอกุศลทั้งสิบประการนี้จนหมดสิ้นแล้วสําหรับพวกที่ยังไม่ได้ชำระอกุศลสิบประการนี้ยังต้องสํารวมกายวาจาใจอยู่เพราะว่าการสํารวมกายวาจาใจนี้แหละเป็นการชำระอกุศลทั้งสิประการอย่างที่ญาติโยมวันนี้มาสํารวมกันการสํารวมก็คือ การถือศีลนี่เองญาติโยมได้สมาทานศีลสามข้อแรกคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติประเวณีนี่แหละคืออกุศลทางกายถ้าละเว้นได้สำรวมได้ทุกที่จะเกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่มีทุกที่จะเกิดจากการลักทรัพย์จะไม่มี ทุกที่จะเกิดจากการประพฤติผิดประเวณีจะไม่มีนีสามารถรักษาได้สามข้อแต่ต้องรักษาไปทุกวันถึงจะป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นได้ตลอดถ้ารักษาเพียงวันนี้ก็ป้องกันได้เพียงวันนี้เหมือนกลางร่มถ้ากลางร่มวันนี้ฝนตกก็จะไม่เปลียกถ้าไม่กลางร่มพรุ่งนี้ฝนตกก็จะต้องเปลียก ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่วุ่นวายใจก็ต้องรักษาสิ่งสามข้อนี้ให้ได้ตลอดคือไม่ใช่เฉพาะเพียงวันพระเพียงวันเดียวถ้าอยากจะไม่มีความทุกข์อยากจะมีความสุขต้องละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นการรักทรัพย์ละเว้นการประพฤติผิดโปรเนีเราก็สามารถ ชำระได้สมข้อแล้วแล้วอีกสี่ข้อคืออกุศลทางวาจาเราก็มาสมาทานกันในวันนี้คือเราจะละเว้นจากการพูดปกละเว้นจากการพูดคำหยาละเว้นจากการพูดเพเจละเว้นจากการพูดสอเสียดคาว่าสอเสียนี้ไม่ได้เหมือนเสียสีไม่ได้พูดให้คนอื่น เสียดเสียดเสียดทางจิตใ จ, จของเขาแต่พูดยุโยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีไม่ควรพูดเพราะความสามัคคีนำความสุขมาให้ถ้าไปพูดยุโยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีก็จะทำลายความสุขแล้ ว, ส ร, ว ส, สร้างความทุกข์ขึ้นมาจึงไม่ควรที่จะพูดยุโยงให้เขา ให้คนอื่นเขาแตกแยกสามัคคีเช่น mm hmm. อย่าไปยุ่ยงให้สามีภรรยาเขาแตกแยกกัน mm hmm. คนที่อยากจะให้สามีแตกแยก mm hmm. เพื่อจะได้แย่งสามีแย่งภรรยาของเขา mm hmm. ก็มักจะพูดส่อเสียง mm hmm. พูดให้เขาเกิดความโกรธเกลียดกัน mm hmm. เพื่อเราจะได้เข้าไป mm hmm. ไปเอาสามีเขาไปเอาภรรยาของเขา mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราไม่ควรกระทำ ส่วนคำพูดเพรเจอร์ก็คือพูดเรื่องไรสาระพูดเรื่องดินทากาเลพูดเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ควรจะพูดเรื่องที่มีประโยชน์เรื่องที่มีประโยชน์ที่สูงสุดก็เรื่องธรรมะการสนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังกัลลมุตตมั ถ้าอยากจะพูดให้พูดธรรมะธรรมะมีอะไรบ้างที่ควรจะพูดคือหนึ่งพูดเรื่องความมักน้อยอย่าพูดถึงความโลภมากให้พูดถึงเรื่องของความมักน้อยอยากได้ไน้อยๆพออยู่พอกินก็พอแล้วทำงานวันละสามร้อยบาทก็พอแล้วยินดีกับค่าแรงขั้นต่ำไม่อยากได้เงินเดือนเดือนละสามแสนสามล้าน อยากได้เพียงเดือนละสามร้อยวันละสามร้อนี่เรียกวันมักน้อยพูดอย่างนี้แล้วใจจะสบายเพราะจะไม่วุ่นวายไม่ต้องไปเดิ้นนนหานเงินแสนแสนสมล้านเอาแค่สามร้อยก็พอได้อยู่แล้วไปทําที่ไหนเขาก็จ่ายสามร้อยให้อยู่แล้วไม่ผิดหวังจะมีแต่ความสมหวังถ้ามีความสมหวังก็จะมีความสุขใจ ถ้ามีความผิดหวังก็จะมีความทุกข์ใจอยากได้สามแสนเขาให้แสนเดียวก็ทุกข์ใจแล้วงั้นขอให้เรามักน้อยแล้วเราจะไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่ข้อที่สองให้พูดสรร ด, ดูสนโดษแปลว่ายินดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็ยินดีเท่านั้นไม่ได้ไม่ถึงสามร้อยก็ยินดีได้ร้อยเดียวก็ยินดี ไม่ได้เลยก็ยินดีอย่างนี้นับนองได้ว่าจะมีความสุขไปตลอดไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้จะไม่ทุกข์เลยนี่คือสันโดษข้อที่สามก็ให้พูดถึงความวิปรีดวิเวกให้หาที่สงบสงัดทำใจให้สงบเพราะใจสงบแล้วจะสุขชาระจะสามารถชาระ ความโลภความโกรธความหลงได้ความโลภความโกรธความหลงนี่ก็เป็นอกุศลทางใจที่ศีลไม่สามารถชำระได้ศีลชำระอกุศลทางกายและทางวาจาได้เท่านั้นถ้าอยากจะชำระอกุศลทางใจคือความโลภความโกรธความหลงต้องไปปลีกวิเวกต้องไปอยู่คนเดียวแล้วไปเจริญสตินั่งสมาธิ ทำใจให้สงบพอใจสงบความโลภความโกรธความหลงก็จะสงบลงไปแล้วถ้าออกจากสมาธิมาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงก็จะทำลายความโลภความโกรธความหลงได้อย่างถาวรสมาธินี้ทำลายได้ชั่วคราวกดเอาไว้ พอออกจากสมาธิมาความโลภความโกรธความหลงก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เหมือนหินทับหญ้าเวลาเราเอาหินไปทับหญ้าหญ้าจะไม่สามารถงอกหนยขึ้นมาได้แต่พอเรายกหินออกไปไม่นานหญ้ามันก็จะงอกกลับคืนมาได้เพราะมันยังมีรากอยู่ในดินนั่นเองถ้าไม่อยากให้รากนี่มันงอกออกไม่อยากให้หญ้านี่มันโตมันงอกขึ้นมา ต้องถอนรากของมันสิ่งที่จะถอนรากได้ก็คือปัญญาถอนรากของความโลภความโกรธความหลงต้องใช้ปัญญาต้องเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสุขถ้าเห็นอย่างนี้พอเวลาโลภ ก, ก็จะหยุดทันทีเหมือนกับเห็นยาพิษพอจะหยิบยาพิษมาดื่ม พอเห็นหัวกระโหลติดอยู่กับข้างขวดเห็นกะโหลควายอยู่กับหัวกะโหลกก็จะปล่อยวางทันทีรู้ว่าหยิบมาผิดขวดจะดื่มน้ำแต่ไปหยิบเอายาพิษมาพอเห็นป้ายเท่านั้นก็หยุดทันทีถ้าเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงก็จะหยุดทันทีนี่คือ เรื่องของการปิกวิเวกพูดคุยกันเรื่องปีกวเวกว่าที่ไหนดีวันไหนสงบสถานที่ไหนสงบเงียบปฏิบัติธรรมได้ดีคุยกันอย่างนี้จะได้ชวนกันไปปฏิบัติธรรมข้อที่สี่ก็ให้อย่าคุกคีกันอย่าสังคมกันให้อยู่คนเดียวตามลําพังเพราะเวลาคุกคีกันเดี๋ยวก็อดที่จะคุยกันไม่ได้ ก็คุยเรื่องไรสาระนินทากาเลกันแล้วถ้าเกิดคุยกันแล้วเกิดไม่พอใจทะเละวิวาสกันเดี๋ยวก็พูดคําหยาบ ก, กันขึ้นมางั้นอย่าไปคุกคีกันเวลาไปปรีคเว่ยอยู่ตามสถานที่สงบสงัดอยู่คนเดียวอย่ามาจับกลุ่มคุยกันเดี๋ยวจะเสียเวลาจะไม่ได้ทําใจให้สงบข้อที่ห้าให้คุยถึงเรื่องความเพียร สร้างความเพียรกันเพียรคือการพยายามปฏิบัติเพียรรักษาศีลเพียรปฏิบัติธรรมเพียรมากน้อยเพียรสันโดเพียรปีกวิเวเพียรไม่คุกคียกันนี่คือความเพียรควรจะคุยชวนกันไปเพียรปฏิบัติกันแล้วข้อที่หก็คือให้คุยเรื่องศีล อย่างวันนี้เรามาวัดเรามารักษาศีลกันกี่ข้อชวนกันมาคุยกันเรื่องศีลช่วยกันเรื่องรักษาศีลไม่เข้าใจศีลข้อไหนก็ถามกันว่าศีลข้อนี้รักษาอย่างไรศีลข้อนั้นรักษาอย่างไรจะเป็นประโยชน์เพื่อที่เราจะได้รักษาศีลได้อย่างถูกต้องข้อต่อมาก็ให้คุยเรื่องสมาธิวิธีนั่งสมาธินั่งอย่างไร เวลาใจสงบแล้วเป็นอย่างไรถึงจะเป็นสมาธิสมาธิมีกี่แบบมีสองแบบมีสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธินี้เป็นอย่างไรมิจฉาสมาธิก็เป็นสมาธิที่ออกไปรู้เรื่องราวต่างๆรู้นาลกรู้สวรรค์รู้ระลึกชาติรู้นิมิตรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ เป็นมิจฉาสมาธิเพราะอะไรเพราะไม่เป็นมรรคเป็นผลต้องเอาสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรก็สา ม, มาธิที่สงบว่าเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารูอันนี้เป็นสัมมาสมาธิเพราะจะมีกำลังต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงได้ส่วนสมาธิที่มีนิมิตนี้ไม่มีกำลัง พอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็สู้มาไม่ได้ดังนั้นเวลานั่งสมาธิอย่าไปติดอยู่กับมิจฉาสมาธิอย่าไปชอบดูนรกสวรรค์อย่าไปชอบดูคนนั่นคนนี้ดูเทวดาดูเปรต ด, ดูผีดูอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการชําระอกุศลทางใจคือความโลภความโกรธความหลงให้ไปสู่อัปปนาสมาธิ คือจิตรวมลงศัก์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาอันนี้เป็นสมาสมาธิออกจากสมาธินี้มาจะได้ใช้ปัญญาทำลายความโลภความโกรความหลงได้นี่คือคุยเรื่องสมาธิกันแล้วก็มาคุยเรื่องปัญญาเรื่องปัญญาเป็นอย่างไรก็วิธีฆ่ากิเลสฆ่าด้วยอะไรก็ต้องฆ่าด้วยไตรักอ น, นิจจังทุกขขังอนัตตา ค่าด้วยอริยสัจสี่ถ้าเห็นว่ากิเลสเป็นทุกข์เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็จะไม่ไปทําตามกิเลสไม่ไปทําตามความโลภความโกรธความหลงถ้าเห็นว่าสิ่งที่ได้มาเป็นความสุขชั่วคราวได้อะไรมาเดี๋ยวก็หมดไปได้สามีมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันได้ภรรยามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกัน ได้ทรับย์สมบัติเข้าของเงินทองมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันเวลาตายนี้มันทุกข์รู้สึกเพราะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจ์เป็นทุกขังเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ แล้วก็คุยเรื่องวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์หลังจากได้ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วอุติทั้งสิบประการก็ถูกทาลายหมดไปเพราะอคติหมดแล้วจิตก็ปราศจากความทุกข์เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็คุยเรื่องวิมุตติญาณทัศนะญาณที่ปรากฏขึ้นมาว่า ความทุกข์ได้หมดไปจากใจแล้วนี้เป็นอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่เราควรพูดควรคุยกันเพราะจะทำให้เราได้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาปฏิบัติกันในวันนี้มาชำระอกุศลทั้ง1ิบประการนี้ด้วยการรักษาศี ด้วยการเจริญสมาธิและปัญญาแล้วอกุศลทั้งสิประการก็จะหมดไปจากใจใจก็จะกลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็คือใจของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อไม่มีเมื่อไม่มีอกุศลแล้วใจก็ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเรา มาบำเพ็ญกันในวันนี้ก็ให้นําเอาไปบําเพ็ญไม่ใช่แต่เฉพาะวันนี้ให้บําเพ็ญทุกวันเพราะทําเพียงวันเดียวนี้ไม่พอเหมือนกับรับประทานอาหารรับประทานอาทิตย์ละวันนี้ไม่พอต้องรับประทานทุกวันถ้ารับประทานทุกวันร่างกายก็จะไม่หิวร่างกายก็จะอิ่มไปตลอดเวลาถ้าชําระอกุศลทุกวัน ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ทุกวันใจก็จะอิ่มจะสุขไปทุกวันไม่มีความทุกข์ตามมาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระสีะรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพิงกันในวันนี้จงเป็นเอตเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญข้าวข้าวปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากังเธอ